ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระการแบกทุนเอาธุระไปวิริยะวิริยินสีวิริรยพละสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชงที่เป็นองค์มัชนับเนื่องในมัชนี้เรียกว่าสัมมาวายามะในคำจงกัดความและความหมายทั้งหมดนี้